พระธรรมเทศนาแผ่นที่81ดสิบดลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่1 6เมษายนสอ5พายมีชื่อเรื่องว่าเกิดในโลกนี้มีแต่ทุกข์ วันนี้เป็นวันที่ส6หเมษายนพุทธศักราช2 5งรห้าบดวันนี้เป็นวันสิ้นสุดเป็นวันทำงานของพี่น้องประชาชนหยุดมาหลายวันหยุดสงกรานแต่ทราบข่าวว่ายอดคนตายก็ไม่น้อยเหมือนกันนะ ฟังๆดูยอดคนตายทั้งสามร้อยกว่าที่ได้ยินทราบข่าวเมื่อเช้านี่หลวงพ่อนั่งรถออกไปเขาเปิดให้ฟังวิทยุเจ็บก็หลายคนเหมือนกันจะว่ายังไงพระใช้รถใช้ถนนร่วมกันประสบและก็คือประสบอุบัติเหตุในถนนมากกว่าอย่างอื่น แต่หน้าเสียดายก็คือตรงที่ว่าเมาถ้าว่าเจ็บธรรมดาปวดธรรมดาก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเมาคำาน้นอะคล้ายๆกับว่าตัวเองหาความหาเรื่องใส่ตนเองหาสิ่งที่ไม่ดีใส่ตนเองในเมื่อหาสิ่งที่ไม่ดีใส่ตนเองแล้วก็ทำให้ตนเองตนเองเดือดร้อน ไม่ใช่ต่อแต่ตนเองเดือดร้อนกระทาให้คนอื่นเดือดร้อนอีกเพราะความเมาของตนเองอันนี้หน้าหน้าตํำหนิจุดนี้นะแต่ถ้าว่าสุดวิสุดวิสัยก็มีคงจะมีอยู่สุดวิสัยแต่ก็คงจะน้อยฟังฟั ง, ฟงดูแล้วนะแต่ถึงยังไงก็ตามเป็นบทเรียนของพวกเราทั้งนั้นแหละให้พวกเราลูกหลานทุกคนสทาญาตทยม ถ้าหาว่าไปเจอกับใครก็ใครๆก็สะดุ่งใครๆก็กลัวใครๆก็ไม่ปรารถนาจะให้เป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเราต้องดูเหตุเหตุก็คืออะไรเหตุคือเราจะเป็นคนดีจะไม่เมาจะส้ำรวมระวังในเมื่อกาเทศการอย่างนี้ปีใหม่ สงกรานอย่างนี้เราก็ควรจะสำรวมระวังให้ดีที่สุดสำรวมกายวาจากายก็คือไม่ดื่มวาจาก็จะไม่พูดอะไรทําาทำให้คนอื่นเสียใจผิดหวังในในกับทัวของเรา เป็นไปได้อย่างนั้นดีมากนะคณะสัาาตยาธิโธมลูกหลานทุกคนนะแต่ที่ยังไงปีนี้มันก็ผ่านไปแล้วละ่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นวันทํางานของลูกหลานพี่น้องประชาชนพอหยุดมาหลายวันวันนี้เป็นวันที่16แล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อเขาไปเททองนะเมื่อวานไม่ได้ฉันจังหันที่นี่นะลูกหลานวันที่15ออกตั้งแต่ตีห้า ไปเททองอยู่ที่วัดดงตาลที่เป็นยุคเป็นญาติพี่น้องของหลวงปู่ล่าเป็นลูกลูกห ล, ลานของหลวงปู่ล่าเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่ล่าศรัทธาญาติโยมลูกหลานมาในมนฑลหลวงพ่อก็ให้ความสำคัญกับลูกหลานแต่ตามไม่จริง เทศกาลอย่างนี้หลวงพ่อจะไม่ขยับอย่างที่หลวงพ่อบอกกล่าวให้กับลูกหลานแต่พอออกไปก็ไปเห็นเมื่อวา น, นโอ้วันจุดท้ายเขาก็า เ, เล่นสงกลานกันสุดเวียงเหมือนกันหลวงพ่อก็เสียวๆเหมือนกันนั่งรถขับมาให้ระมัดระวังเนเอะค่อยๆมาถ้าเห็นเด็กเห็นกลุ่มเด็กสา์น้ำก็ค่อยๆอกลัวเด็กมันจะวิ่งถลามเข้ามาชนรถเหมือนกัน ลูกหลานกันพอมันเล่นเข้าไปมันลืมทั้งหมดนะลืมอันตรายมีแต่สนุกสนานนะวันนั้นพวกเราผู้เป็นผู้ใหญ่ก็จะไปเอาตใจตัวเองก็ไปไหนก็ค่อยไปเรื่อยๆจนมาถึงวัดก็ตลอดปลอดภัยนี่แหละเมื่อวานนั้นรู้สึกว่าไปเททองที่เททองพระประธานโบสถ์ แต่เป็นเป็นพระพิเศษนะเมื่อวานนะทำไมถึงว่าพระพิเศษเพราะเขาซื้อเงินซื้อแท่งเงินมาเททองอทั้งหน้าตักหน้าจากเข่า30นิ้วนะก็ใช้เงินมากพอสมควรนะเพราะเป็นเงินราคาแพงมาปฏิสฐานอยู่ที่โบสถ์นคนกราบไหว้ แต่หลวงพอ่อของรักษาให้ดีและลูกหลานนะราคาแพงนะเป็นพระเงินแต่ก็ทางบ้านเมืองก็ให้ความสำคัญเมื่อวานนะท้งท่านท่านผู้วาราชการจังหวัดท่านนพวัต ส, สิงศด า, าแล้วก็อดีตผู้ว่าท่านประกาศท่านอำนาจประกาศ แล้วก็รองผู้ว่าประจังหวัดสำนักพุทธในอำเภออาเภอเมืองโอ้ไปหลายมาาเมื่อวานเดีจเจอกันสรุปแล้วก็คือไปเพื่อหลอหลอมพ ร, พ, รพระประธานทำตัวแทนหลอพระประธานเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลปีใหม่หลวงพ่อก็เออดีปีใหม่มาเราควรจะทำ ประกอบคุณงามความดีที่เป็นชิ้นเป็นอันที่เป็นสักขีพยานหล่อพระก็ดีเหมือนกันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวส่วนหนึ่งหล่อล้อมจิตใจของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกหมู่ทุกเราให้เป็นคนดีหล่อล้อมเหมือนกับหลอมพระประธานอย่างนั้นให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เป็นที่กราบไหว้ของคู่คนทั้งหลายหลวงพ่อ เป็นศิลปเป็นมงคลวันนี้ <c oughs> แต่เสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็กลับมาเอตัวแทนสร้างพระประธานก็คือสร้างตัวแทนของพระพุทธเจ้าแต่เราจะไปคิดว่าเราไปกับแท่งเงินแท่งทองแท่งทองเหลืองอิฐปูหินเอกอิฐหินปูนทรายเนี่ยแต่ไปคิดแบบมโมโหจะไม่ได้นะ <c oughs> แต่โดยมากคนคิดคิๆโง่ๆก็มีแต่ตามไม่จริงเราไม่ใช่การาบไม่จะไปเห็นก้อนหินนีที่ไหนก็กราบไม่ใจะเห็นทองเต๋าทองแดงที่ไหนก็กราบเห็นเงินที่ไหนก็กราบไม่ใช่อย่างนั้นคือตั้งเป็นองค์พระขึ้นมานี่เอออันนี้คือศาสดาตรงตัวแทนของพระพุทธ <c oughs> เจ้าเป็นพระพุทธรูป ถ้าจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่แล้วก็กราบได้เพราะอะไรเพราะเราระลึกถึงพระคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเป็นผู้มีพระธรรมประกาศพระธรรมคําสอนออกมา <c oughs> ในพระธรรมคําสอนออกของพระพุทธเจ้านั้นมีบทไหนบ้างที่จะทําร้ายทําลายมนุษย์ชาติมีไหมให้ฆ่ากันมีไหม ถ้าหากว่าคนไหนไม่นับถือศาสนาของเราให้ค่าไม่มีถึงจะเป็นมดตัวเล็กตัวน้อยจะเป็นคนกลุ่มในชุ ม, ช, มชนชั้นใดพราะพระพจเจ้าท่านให้มีเมตตาทั้งหมดอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะเหตุไรเพราะว่าอย่างน้อยก็ให้รู้จักกลบรู้จักกลี ถ้าเขาว่าเป็นพิษเป็นภัยสำหรับตนเองอย่าไปต่อสู้ต่อต้านหรือไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับเขาให้รู้จับจักหลบรู้จักหลีกให้หนี ห, ห, นหนีห่างเหมือนกับมดแดงหรือตอแตนมันจะต่อยเราเนะี่ยมันจะต่อยเราเน่เรานะก็ต้องหนีห่างไม่ใช่ว่าท่านให้ไปทำร้ายทาลายลังขวกมัน ท่านก็ไม่ไห้ว่าอย่างนั้นในหลักของพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วเสียเปรียกไหมถ้าเขาโลกเขาก็ว่าเสียเปียบนั่นแหะแต่ว่าส่วนลึกแล้วก็เราไม่รู้จะเสียเปรียบไปเพื่ออะไร ถ, ถ, ถึงถึงมันจะมาต่อยเรามมื่อตายเหมือนกันอีกสักวันหนึ่งเราก็เหมือนกันเราก็จะต้องตายอีกเหมือนกันพราะนั้นต่างคนก็ต่างตายหลีกหลีกให้มันซะหลบให้มันซ ะ, ะเราก็ไปตายที่อื่นมันก็จะตาย ที่ของมันที่มันจะชนะมันก็ตายอีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้จองเวรจองเวรกันถ้าจองเ ว, เวเรแค่ว่ามันมาฆ่าเราเราก็ฆ่ามันอันนั้นคือการจองเวรกันไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดถ้าทําอย่างนั้นการเวรจานเขาจองเวรกันเวรจะระงรับจะระงรับไม่ได้ถ้าหากว่าเราจองเวรกันอยู่เวรจะระงรับได้ถ้าหากว่า เราจะไม่จองเวรเขาให้อภัยเขานี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมของคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีแต่ให้อภยัยไม่จองกรรมจองเวรเพราะนั้นขอพวกเราเป็นพุทธศาสนิกนชนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปการกลองไตรตองดูนะเออแล้วก็ดูสิว่า เราจะให้อภัยได้หมักน้อยแค่ไหนถึงจะโมโหโกรธาถึงขนาดไหนก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดน่ะถ้าให้อภัยนะวงพ่อวัาดีที่สุดดีกว่ า, าดีกว่าเราสบายใจกว่าเพราะเราลดอุ่นข้อภูมิในจิตใจของเราไม่ให้มันร้อนเกินไป เ, เพราะว่าโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เราอย่ามาเกิดที่ดีกว่า อในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีช่องทางที่จะทํายังไงที่พวกเราจะไม่มาเกิดถ้ามาเกิดแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้มันหลีกไม่หลีกลีหนีไม่พ้นแหละเรื่ององต่างๆในโลกเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มาเกิดนั่นแหละจะทํายังไงจึงจะไม่มาเกิดพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาเป็นเวลาทั้งหกปีที่ทําให้จิตใจ ไม่มาเกิดทันหัวถอนถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจจิตใจให้จิตใจใบริสุทธิ์นั่นแหละจากนั้นก็หยุดดับเชื้อที่จะมาเกิดในเมื่อดับเชื้อมาเกิดแล้วไม่มาเกิดนั่นแหละเป็นบรมปศุขท่านตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาในจุดนี้ที่ทํำยังไงจึงจะไม่ ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ให้ไม่ไมไมต้องมาเกิดแต่ถ้ามาเกิดแล้วก็แก่เจ็บตาย เ, าเวรภัยอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมากมายจนนับคาลนาหาประมาณไม่ได้ เ, เกิดมาก็าทุกทํำยังไงก็ทุกมีก็ทุกอย่างหนึง่งจนก็ทุกอย่างหนึ่งมันทุกทั้งหมดเหมือนกับเราอยู่ใน อ, อยู่ในตุ่มในโอ่งนั่น อ, อยู่ในที่ ไปไม่ไปที่ไหนไม่ได้ถึงจะร้อนก็ทุกหนาวก็ทุกเย็นก็ทุกหิวกระหายอะไรมันมากมายมหาศาลในกองทุกในโลกเนี่ยบันเลียไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้าจะบรรยายเรื่องความทุกข์ของคู่คนคนหนึ่งทุกอย่างหนึ่งคนหนึ่งทุกอย่างหนึ่งคนคนหนึ่งทุกมากอย่างหนึ่งคนหนึ่งทึศแต่ถึงยังไงมีทุกทุกคนแต่จะให้เหมือนกันมันก็ไม่ไม่ไม่เหมือนแต่ว่าความลด รสแห่งความทุกข์มันคืออะไรออันนั้นรู้อยู่ที่ใจของใครของเราทั้งหมดอยู่ที่ใจของใครของเราอันนั้นความทุกข์เน่ยมันอยู่ที่ใจนะแต่มันทุกข์กายก็จริงูแต่มันวิ่งเข้ามาหาใจใจเป็นคนรับรับทุกข์พล า, างการมีทุกข์ไม่เหมือนกันแต่รถของทุกข์มันเหมือนกัน <h m uch> มันทนทุกข์มันอยู่ได้ยากคำว่ า, าทุกข์คำนี่มันอยู่ได้ยาก มันไม่สบาย <c oughs> สบายกายสบายใจสบายกายส่วนหนึ่งสบายใจส่วนหนึ่งแต่สบายกายมันก็ถึงเข้ามาหาใจอีกเหมือนกันใจใจได้รับสบายซะก่อนยอมรับกายนี่แหละในหลักของพุทธศาสนานล้วนแล้วแต่เป็นพระธรรมคําสอนให้พวกเราได้ศึกษาทั้งนั้นน่ะ แต่ถึงยังไงก็อยู่ด้วยกันให้มีเมตตาต่อกันให้มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันอย่าได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกนนันนั่นดีที่สุดในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกคนนะอพอต่อ น, นี้ไปกันพวกเราเริ่มทําการทํางานละไรตั้งต้นละบัดนี้นับตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปเริ่มทํางานทํางานปีใหม่ปีใหม่ไทยนะ ค่อยทํางานไปเรื่อยๆ ร, ระวังไปเรื่อยๆเรื่อยๆประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆสิ่งนั้นที่มันไม่ดีอมันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าโทดในเรื่องนั้นๆนั่นให้ระวังเหมือนกับเราจับพวงมาลัยหลวงปู่ฉิมท่านบอกว่าเออเวลาเราเจิมรถให้แล้วเนี่ยจะเอาจะเอาคาถามาหาปลอดภยัยไหม เขาก็อยากจะได้ใช่ไหมนะอยากจะได้ครับผมก็อยากจะได้คาถามหาปลอดภัยที่หลวงปู่จะให้เออเอาเรียนเอานะคาถามหาปลอดภัยที่พอท่านเจิมรถให้แล้วนะท่านก็นั่งเอาปน о ม, มื р หลวงปู่ชิมก็สอนคาถามหาปลอดภัยเวลาได้รถมาแล้วรถคันใหม่โดยมากมันจะลองของนะเวลาถอยหน้าถอยหลังเออมันจะชนขอบประตูบ้าง โจดกำแพงบอะไรลักษณะอย่างนั้นอันนี้เราต้องระวังเวลาจะขับรถเวลาจะขยับรถเราต้องเดินรอบข้างรอบตัวรถซะก่อนแล้วก็มองเข้าไปข้างล่างมีหมาแมวมีเด็กไหมมีเด็กอยู่ในแวกนั้นไหมเดินรอบซะก่อนเราไปจอดในตลาดก็เหมือนกันเราต้องเดินดูรอบซะก่อนอพอดูแล้วเออปลอดภัยเราค่อยสตาร์ทเครื่อง เพอจะตัดเครื่องเสร็จแล้วเราก็มันห่างไกลทางไหนถ้ามันปลอดภัยแล้วก็ขยับรถเอพอขยับรถแล้วก็บริกรรมเขาว่าระวังระวังระวังระวังเอให้บริกรรมเอาไว้ระวังระวังระวังขู่ระวังคนระวังรถระวังหมากาไก่ระวังขี่เหล่าเมายาระวังคนเท่าคนแก่หูนวกตาบอด ระวังไปเรื่อยรถของท่านจะปลอดภัยนี่แหละคาถามหาปลอดภัยจำเอาไว้เรียนเอาไว้นะนี่แหละพวกเราทั้งหลายเรียนนะ น, นี่คือคาถาของหลวงปู่ชิมท่านสอนลูกสอนหลานหลวงพ่อฟังแล้วใช่เป็นคาถามหาปลอดภัยจริงๆถ้าทำได้อย่างที่หลวงปู่ชิมแนะนำต่อนไปรับพรนะตอนนี้นะ